ยมบาลมีจริงหรือไม่ตาม พอตายลูกน้องของยมบาลก็ รูปร่างของยมบาลนั้นอ้วนใหญ่ท้องพลุ้ย เรื่องจริงๆจริงๆเป็นอย่างไรอย่าง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 และโดยเฉพาะยมบาลที่เป็นมโนภาพนี้ต้องระวังให้ ส่วนยมบาลอีกประเภทหนึ่งเป็นยมบาลจริงๆซึ่งถ้า ซึ่งยาก็มียมมาบานประจําภูมินั้นๆย่อยออกไปอีกความจริงมีอยู่ว่าภูมิหรือ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 คนที่ทําบาปไว้มากซึ่งจะต้อง ก็จะได้รับความยุ่งยากอะไรต่างๆจะได้รับความยุ่งยากอะไรต่างๆเป็น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 เพราะเหตุที่ได้อยู่ร่วมกับคนดีเหตุที่ได้อยู่ร่วมกับคนดีพระฤาษี เป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่ เป็นเสมือนป่าของยังป่าเล็กๆน้อยๆยังไม่ใช่สิ่งท่านหนึ่งว่ามีบุคคลนรก ยมบาลเรื่องนี้จริงหรือเปล่าต้องจดประวัติของคนที่ทำว่า แต่ก็มีหรือมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นภูมิเหมือนกันที่มีการ คนนั้นคนนี้ได้ทำกรรมอะไรนั้นท่านบอกว่าถ้ามีความสนใจก็สามารถจะรู้ได้เสมอนี้ได้ทํากรรมๆ มันก็จะมีปรากฏการเกิด หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือหลักดังที่กล่าวมา ข้าพเจ้าได้พิมพ์มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วได้เรื่องกรรมที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดมา 10 กรรม 4 ว, ญญ ง, อง, 1 กรรมดํามีวิบากดํา 2 กรรมขาว 3 4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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่ากรรมดําดูก่อนทั้ง เมื่อสังขารวจีสังขารมโนสังขารเทพเจ้า อย่างนี้แลเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวดูก่อนภิกษุ ขันธ์ประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อ <Wow. S 2> อันเป็นไปดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายความเบียดเบียนดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่เป็นไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างดูก่อน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 Θα τα και Πού είναι sing ναί